วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญสร้างกุศลเพราะมีความเชื่อในหลัก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 ด้วยเหตุนี้ญาติโยมจึงหมั่นมาทํากรรมดีกันกรรมนี้มีสามชนิดด้วยกันกรรมดีเรียกว่าบุญกุศลกรรมไม่ดีเลิกเลือความชั่วเรียกว่าบาปและบุญและกรรมที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปไม่ดีไม่ชั่ว เป็นการกระทํากลางๆไม่ได้ทำให้ได้ผลดีหรือผลเสียแต่อย่างใดนี่ก็มีอยู่สามประเภทด้วยกันกรรมดีก็จะทำให้ผู้กระทําได้มีความสุขมีความสงบมีความสบายตายไปได้ไปเกิดในสุคติ กรรมชั่วกรรมไม่ดีทำให้ผู้กระทำมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนมีความเสื่อมเสียตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายส่วนกรรมที่เป็นกลางนี้ก็จะไม่ได้พาให้ไปสุกติหรือให้ไปสู่อบายให้คงสภาพเดิมอยู่ ถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เนื่องจากว่าบุญกรรม น, นี้บุญกรรมหรือกรรมที่เราทั้งหลายทํากันนี้เราไม่ได้ทําชนิดเดียวไปตลอดเช่นไม่ทําบาปไม่ทําบุญนี้จําเป็นไปไม่ได้และและก็ต้อง <c oughs> มีการทําบาปบ้างทําบุญบ้าง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตายไปบุญอันใดถึงวาระที่จะแสดงผลกรรมอันใดถึงวาระที่จะแสดงผลบุญหรือกรรมอันนั้นก็จะเป็นผู้นำพาดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วไปสู่พบภูมิของบุญของกรรมอันนั้นไปนี่คือ หลักแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูรแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากสัตว์โลกนั้นยังมืดบอดยังไม่มีธรรมจักสุหรือแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิต ก็คือเห็นเพียงแต่ร่างกายไม่เห็นอีกครื่งหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญกว่าคือจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้ไปเกิดต่อถ้ายังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะกิเลสตัณหานี่แหละ เป็นผู้จะส่งให้จิตใจไปเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ได้กระทำกันก็ต้องตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ ตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงตัดความอยากเช่นความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากเป็นผู้มีตําแหน่งสูงมีอํานาจวาสนาดังนี้ เป็นความอยากมีอยากเป็นและความอยากอีกอย่างหนึ่งก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่เป็นคนจนอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าความอยากไม่มีไม่เป็น ถ้าสามารถตัดความอยากทั้งสามประเภทนี้ได้จิตก็จะไม่มีผู้ที่จะฉุดลากให้ไปเกิดอีกต่อไปเจตก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นเพราะจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตายและ พระนิพพานก็เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมอย่างนั้นเมื่อได้ถึงพระนิพพานถึงปรามังสุขขังแล้วก็จะเป็นปรามังสุขขังไปตลอดอย่างพระไตรของพระพุทธเจ้าหรือจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้จากพวกเราไปแล้วนั้นจากไปเพียงร่างกายร่างกายของท่านกลับคืนสู่สภาพเดิม คือกลับสู่ดินน้ำลมไฟแต่พระทัยหรือจิตของท่านนั้นอยู่ในพระนิพพานหรือจะเรียกว่าเป็นพระนิพพานก็ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดส่วนจิตของพวกเราผูถุชนที่ยังไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ก็จะถูกความอยากนี้และบุญกรรมที่ได้ทำนี้เป็นตัวนำพาไปความอยากเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ส่วนบุญกรรมนี้เป็นเหมือนกับพวงมาลัยถ้าบาปพวงมาลัยก็จะหมุนไปทางอบายถ้าบุญ พวงอะไรก็จะหมุนไปทางสวรรค์ไปทางสุขติซึ่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือยับยั้งได้เมื่อทำแล้วบุญกรรมนี้จะรอสมผลอยู่อย่างเดียวพอถึงเวลาที่จะทำหน้าที่ของเขาเขาก็จะทำหน้าที่ทันทีพอร่างกายนี้หมดลมหายใจตายไปแล้ว บุญกรรมก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนพวงมาลัยส่วนความอยากกิเลสตัณหาก็จะเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของของรถยนต์พอติดเครื่องปับ๊บพวงมาลัยก็จะหมุนไปตามทางที่เขาจะพาให้ไปถ้าเป็นพวงมาลัยของบุญก็จะพาไปสู่สวรรค์ถ้าเป็นพวงมาลัยของบาปก็จะพาไปสู่อบาย ถึงตอนนั้นแล้วไม่มีใครที่จะทำอะไรได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามวาระตามเหตุตามตามบุญตามกรรมเท่านั้นแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ยังมีโอกาสยังมีเวลาที่จะดับเครื่องได้ถ้าตัดความโลภความโกรธความหลง ตัดความอยากต่างๆได้ก็เหมือนกับปิดเครื่องดับเครื่องเครื่องยนต์เมื่อดับเครื่องยนต์แล้วต่อให้มีพวงมาลัยจะหมุนไปทางบุญ ห, หรือไปทางบาสมันก็ได้แต่หมุนอย่างเดียวแต่มันไม่สามารถพาใจให้ไปตามการหมุนของพวงมาลัยได้เพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน เพราะกิเลสตัณหาหยุดทำงานแล้วนั่นเองดังนั้นบุญกรรมที่ได้เคยทำมาถึงแม้จะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็จะไม่สามารถส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่หยุดดดับเครื่องยนต์คือกิเลสตัณหาของใจได้แล้ว ดังนั้นบุญกรรมทั้งหลายก็จะตามไม่ทันหมดโอกาสที่จะไปสร้างผลให้แก่จิตใจดวงนั้นจิตใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายยังเป็นผู้ที่พ้นจากทั้งบุญและบาปเพราะว่าท่านไม่ไปเกิดอีกแล้วนั่นเองถ้ายังมีกิเลสยังมีตัณหาอยู่ ก็จะไปตามกำลังของบุญและบาปเพราะรถยนต์หรือเครื่องยนต์ยังไม่ได้หยุดทำงานนั่นเองเมื่อเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่พวงมลาลัยก็ยังสามารถที่จะบังคับให้รถยนต์ไปตามทางของพวงมลาลัยได้นี่คือเรื่องของกรรมมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือบุญกรรม คือการกระทาดีชั่วต่างๆหรือไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ตัวที่ผักบุญกรรมผักให้กระทาบุญหรือกรรมก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนี่เองเช่นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาการที่จะเอาสิ่งที่เราอยากได้มานั้น ก็ทำได้สองวิธีทำด้วยวิธีถูกต้องสุดเจริตไม่เป็นบาปก็เรียกว่าบุญหรือถ้าทำด้วยวิธีที่ไม่สุดเจริญที่เป็นบาปก็จะเป็นโทษเป็นโทษต่อจิตใจเช่นอย่างได้เงินแล้วไม่มีปัญญาที่จะหามาด้วยวิธีสุดเจริญ ก, ก็เลยวางแผนไปพ้นธนาคาร วางแผนไปเปิ้นร้านมินิมาร์ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเมื่อได้เงินมาก็จะได้บาปมาด้วยส่วนคนที่อยากได้เงินแล้วก็ตั้งตั้งใจทำมาหากินเก็บและเก็บน้อยจนได้จํานวนที่ตนเองต้องการก็จะไม่มีบาปตามมา เป็นการกระทําที่สุดเจริญแล้วเงินที่ได้มาถ้าอยากจะเอาไปทําบุญต่อก็จะได้บุญด้วยจะทําให้จิตใจมีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีความอยากเลยก็ไม่ต้องทําบาปและไม่ต้องทําบุญเลยคนที่ไม่ต้องการอะไรแล้วก็จะอยู่เฉยๆอย่างพระพุทธเจ้า อย่างาพระอรหันตสาวกอย่างครูบาจารย์ที่ท่านหมดกิเลสหมดตัณหาแล้วท่านก็ไม่ได้ไปหาอะไรอีกต่อไปมีแต่คนจะเอามาให้ท่านเองท่านอยู่เฉยๆก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาแต่ท่านก็ไม่ได้มีความยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้รับมาได้มามากได้มาน้อย ก็เอาไปทำบุญต่อเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากต่อไปใจของท่านนั้นไม่มีความอยากกับอะไรแล้วแม้แต่บุญที่ทำก็ไม่ได้หวังผลบุญแต่อย่างใดเพราะผลบุญที่ได้รับนี้สู้กับความสุขที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้ สู้กับบุญที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้บุญที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบุญที่เกิดจากการไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่มีความอยากกับการอารมณ์ต่างๆนี่เป็นบุญที่สูงสุดเป็นบุญที่จะทำให้ยุติ การเวียนว่า้ตายเกิดได้บุญอย่างอื่นนั้นถึงแม้จะเป็นบุญที่จะพาไปสู่สวรรค์ชั้นพร ม, มโลกก็ตามก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือยังหมดได้ทำบุญนั่งสมาธิเข้าฌานได้พอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมพอบุญนี้หมดกำลัง จิตก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วเมื่อบุญสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่ภพของมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับมาเกิดดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิม ต่างกับคนที่ทําบาปแล้วต้องไปใช้กรรมในนรกเมื่อบดกรรมแล้วก็จะออกมาเป็นเปรตต่อแล้วก็มาเป็นเดราาัจฉานเมื่อบดกรรมเหล่านั้นแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดดี เ, เ, เร็วกว่าเดิม เคยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมาเกิดคราวนี้จะไม่ดีเท่าเดิมบางครั้งอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาบางครั้งก็ จ, จะมีอาการไม่ครบสาสสองหูหนวกตาบอดแขนขาด บ, บ้างเพราะเป็นเป็นอนิสงหรือเป็นผลของบาป ที่ยังไม่หมดสิ้นไปยังมีหลงเหลือติดอยู่ในใจทำให้ต้องมากลับมาเกิดแบบที่ไม่ปรารถนากันมนุษย์เราที่มาเกิดจึงมีความแ ต, ตกต่างกันอย่างนี้บางคนก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามฐานะการเงินการทองดีมีสติปัญญาแหลมคม สามารถเรียนหนังสือได้ปริญญาสูงสูงบางคนกลับมาเกิดแล้วมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบ32สติปัญญาทึบเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเรียนได้แค่ปหกก็ไม่อยากจะเรียนแล้วไปมีสามีไปมีภรรยาแล้วแล้วก็ไปตกกะกม น, นํำบากเพราะไม่มีสติปัญญา ที่จะหาเงินหาทองได้มากมายแต่ชอบใช้เงินใช้ทองหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนในที่สุดก็เลยต้องไปทาผิดกฎหมายไปทำบาปทำกรรมแล้วก็สร้างบาปขึ้นมาอีกพอตายไปก็ต้องกลับไปเกิดในอบายก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อยู่ในวัฏะวนฝ่ายต่ำ ฝ่ายของอบายส่วนผู้ที่กลับมาเกิดที่มีบุญพามาเกิดก็จะมีฐานะดีมีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรก็จะหมั่นทางานทาการหมั่นศึกษาเล่าเรียนทำให้สามารถมีอาชีพที่ดีได้มีรายได้ที่ดีมีเงินมาทำบุญทำทานต่อ มีเวลามานั่งปฏิบัติธรรมจเจริญปัญญาต่อไปแล้วถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานตายไปก็จะกลับไปสุขติอีกแล้วถ้าหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็จะวนเวียนอยู่ในสุขติพวกทาบุญจะวนเวียนอยู่ในสุขติพวกทาบาปก็จะวนเวียนอยู่ในอบายไปอย่างนี้ไปเรื่อย พวกทำบุญมีโอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานได้เพราะเมื่อทำบุญมากขึ้นมากขึ้นก็จะขยับเข้าไปใกล้ถึงพระนิพพานเรื่อยเช่นชอบทำบุญให้ทางเรื่อยๆต่อไปก็จะชอบรักษาศีลเมื่อชอบรักษาศีลแล้วต่อไปก็จะชอบนั่งสมาธิชอบเจริญปัญญาชอบฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมชอบพิจารณาความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของสรรพสัตว สปปรรพสิ่งทั้งหลายชอบพิจารณาว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นชอบพิจารณาดูเสมอว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนถ้าสามารถพิจารณาได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะไปดับความอยากต่างๆได้เพรเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเรา สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแล้วไปริ่นโนนหามันมาทำไมใครอยากจะวิ่งเข้าหากองไฟบ้างสิ่งต่างๆที่พวกเราหลงรักหลงชอบหลงมีไว้ครอบครองนี้เป็นเหมือนกับกองไฟเราไม่รู้เพราะใจของเรามุดบอกแต่เราทุกทรมานกับเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเรามีอะไรที่เรารักเราก็ต้องห่วง ต้องหวงต้องกังวลต้องรักษาแล้วก็ต้องเศร้าโศกเสียใจยามที่เขาจากเราไปเราไม่เคยคิดเลยว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรถ้าเราคิดสักหน่อยเราก็จะรู้ว่าเกิดจากความอยากเกิดจากความหลงที่หลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากเป็นนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงได้อะไรมนาะก็เป็นเหมือนของยืมเขามาเช่นได้รถมานี่ก็เป็นเหมือนได้ยืมรถยนต์เข้ามาใช้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปเวลาที่ไม่มีปัญญาที่จะผ่อนก็ต้องคืนบริษัทเขาไป หรือถ้าขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุมันพัายับเยินมันก็เหมือนกับคืนเขาไปอยู่ดีหรือไม่เช่นนั้นเวลาที่เราตายไปเราก็ต้องคืนเขาไปอยู่ดีเราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้แต่พวกเราไม่ค่อยคิดกันเพราะความหลงมันหลอกเราว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้มาแล้วจะมีความสุขแต่เห็นร้องโหมร้องไห้กันอยู่เรื่อย กับของที่ได้มานี่แหละไม่ได้ร้องห่มร้องไห้กับเรื่องอะไรดอกสามีภรรยาก็เป็นของที่เราได้มาเป็นบุคคลที่เราได้มาแล้วก็มาร้องไห้กับเรื่องสามีเรื่องภรรยาดีก็ร้องไปอย่างหนึ่งไม่ดีก็ร้องไปอีกอย่างหนึ่งดีดีก็ต้องร้องเพราะเวลาดีก็ห่วงก็ห่วงเขาเวลาไม่ดีก็ช้ำอกช้ำใจร้องห่มร้องไห้เหมือนกัน สูไม่มีไม่ดีกว่าหรืออย่างตอนที่เราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราต้องมาร้องห่มร้องไห้กับเรื่องของสามีเรื่องของภรรยาหรือเปล่าคนที่ไม่มีสามีไม่มีแฟนนี่สบายกว่าคนที่มีแฟนเพียงแต่ว่าคนที่ไม่คนที่ต้องมีสามีหรือต้องมีแฟนนี้หรือมีภรรยาเพราะเขาไม่สามารถอยู่ตามลาพังได้นั่นเอง จิตใจก็อ่อนแอจิตใจเขาถูกความอยากคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆทำให้เขารู้สึกเหงาวาเวเวลามีความอยากแล้วอยู่คนเดียวนี้จะมีความรู้สึกเศร้าซ้อยน่อยเหงาวาเวต้องมีอยากจะมีเพื่อนมาให้ความสุขแต่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งคนที่มีบุญเก่ามา เคยสร้างบุญมามากเคยนั่งสมาธิเคยฟังเทศฟังธรรมเคยพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆจะเป็นจิตใจที่มีความเข้มแข็งจะไม่อยากมีสามีไม่อยากมีภรรยาเพราะรู้อยู่ในใจว่ามันวุ่นวายหนอมันมีแต่ปัญหาความสุขที่ได้นี้ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มา คนที่ไม่ได้มีสามีไม่มีคู่ครองไม่มีภรรยานี้แหลจึงเป็นคนมีบุญมีบุญมีความสุขมากกว่าคนที่มีสามีมีภรรยาแต่คนที่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาเวลาเห็นคนอื่นเขามีสามีมีภรรยามีแฟนก็อยากจะมีเหมือนเขาเพราะคิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เคยรู้เลยว่า เวลาเขาแต่งงานกันแล้วเขาตีกันในห้องนอนกันวันละกี่ครั้งไม่มีใครรู้เพราะเวลาก็ออกมาจากห้องออกมาจากบ้านเขาไม่ไปบอกใครนอกจากเขาทนไม่ไหวจริ ง, รงๆเท่านั้นเขาถึงจะบอกนี่เป็นเรื่องของความหลงความมืดบอดของจิตใจที่ไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความไม่เที่ยง ไม่เห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนหรือไม่มีเจ้าของในสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเมื่อฟังแล้วก็ไม่สนใจที่จะเอามาเจริญต่อเอามาบาเพ็ญต่อเอามาพิจารณาต่อพอได้ยินได้ฟังเสร็จก็ลืมแล้วพอไปคิดเรื่องอื่น ไปทำธุรกิจเรื่องอื่นไปทำภารกิจอย่างอื่นก็ลืมเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาความหลมความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้กรรมบีกรรมดีกรรมเชื่อกรรมไม่ดีไม่ช่วนี้เกิดจากกิเลสตัณหาเป็นตัวผลักดันเมื่อมีความโลภแล้วก็ต้องไปทำ ทำบาป ท, ทำกรรมหรือทำบุญหรือทำไม่บาปไม่ทำบุญเช่นไปหาเงินมาโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ทำบาปแต่ก็ไม่ได้ทำบุญเพราะไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับใครการจะทำบุญนี้ต้องทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองเช่นเรามีข้าวจานหนึ่งถ้าเรารับประทานข้าวจานนี้ก็จะไม่ได้บุญ แต่ถ้าเอาข้าวจานนี้ไปให้ผู้อื่นที่เขาไม่มีรับประทานเราก็จะได้บุญดังนั้นการกระทำของเราก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันที่เราทำอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วแต่ว่าจะทำอันไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองคนที่เคยทำบุญมามากก็จะทำบุญมากกว่าทำบาปคนที่เคยทำบาปมามากก็จะทำบาปมากกว่าทำบุญ มันเป็นอย่างนี้แต่เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเคยทำบาปมามากแล้วเรามีโชคดีได้มาฟังเทศฟังธรรมเราทราบถึงผลเสียของบาปกรรมของการกระทาบาปเราก็พยายามยับยั้งไว้เราเคยโกหกหลอกลวงเราก็หยุดโกหกหลอกลวงได้เราเคยลักขโมยเราก็พยายามหยุดลักขโมยได้ เราเคยยิงนกตกปลาเราก็หยุดยิงนกตกปลาได้แต่ตอนที่จะหยุดใหม่ๆ ม, มันก็จะรู้สึกว่ามันยากหน่อยเหมือนกับเราเคยใช้มือขวาแล้วเราต้องมาเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายเช่นมือขวาของเราไปประสบอุบัติเหตุใช้ไม่ได้เ <c oughs> หลือแต่มือซ้ายเราก็ต้องใช้มือซ้ายไปก่อนเมื่อใช้ไปแรกๆ ก, ก็จะรู้สึกไม่ถนัด แต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะรู้สึกว่าใช้ได้อย่างถนัดได้อย่างสบายเพราะว่าใจเรานี้ฝึกได้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำนี้ถ้าถูกฝึกให้ทำต่อไปก็ทำได้เหมือนภาษาไทยที่เราเกิดมาตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราก็พูดไม่ได้แต่พอแม่สอนพอ่พอสอนอยู่เรื่อยๆเราก็พูดได้ หรือถ้าเราอยากจะเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งเราก็ยังเรียนได้แต่มันก็จะยากกว่าภาษาที่เราใช้อยู่แต่ก็ไม่สุดวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เปลี่ยนได้นิสัยไม่ดีเปลี่ยนมาให้เป็นนิสัยดีได้บาปกรรมนี้ละได้หยุดได้บุญนี้ก็ละได้หยุดได้เหมือนกันถ้าไม่ถ้าประมาทถ้าไม่ระมัดระวังเวลา ที่เกิดมีความอยากมากๆถึงแม้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดจะทำบาปก็อาจจะทำบาปได้เช่นไปเห็นสามีหรือภรรยาของใครแล้วเกิดอารมณ์อยากมากๆอยากได้เขามาเป็นคู่ครองก็อาจจะทำบาปทำกรรมได้อาจจะหาวิธีฆ่าสามีฆ่าภรรยาเขาก็ได้เพื่อที่จะให้ได้สามีหรือภรรยาของเขามา แต่ถ้าเคยทำบุญอยู่เรื่อยๆ แ, แล้วเวลาจะทำบาสนี้จะรู้สึกยากจะไม่ค่อยถนัดจะไม่ค่อยอยากจะทำนะแต่ก็ยังทำได้ถ้าฝืนทำไปต่อไปก็จะทำง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะทำบุญยากจะทำบาสง่ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำถ้าทำอะไรไปแล้วมันก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทำครั้งที่หนึ่งจะยากกว่า การกระทำครั้งที่สองแล้วก็จะยากกว่าการกระทำครัง้งที่สามไปเรื่อยๆพอทำไปถึง10 2 0ี่ครั้งแล้วต่อไปมันก็จะง่ายไม่ว่าจะเป็นการกระทำบาหรือเป็นการกระทำบุญดังนั้นเราต้องอย่าประมาทถึงแม้ว่าจะเป็นการทำ บ, ทำบาปเพียงเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปทำมันเพราะว่าเหมือนกับไฟ ไฟมันจะไหม้มันก็ไหม้จากไม้ขีดก้านเล็กๆนี้เองเราจุดไฟเผาป่านี่เราเพียงแต่ใช้ไม้ขีดก้านเล็กๆก็ทําให้ไฟป่าลุกไหม้ขึ้นมาได้ดังนั้นอย่าประมาทอย่าไปเห็นว่าการกระทําบาปเพียงเล็กๆน้อยๆนีน่ไม่สําคัญเพราะมันจะสร้างเป็นนิสัยขึ้นมาต่อไปมันก็จะคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าไม่สําคัญไม่สําคัญ แล้วมันก็จะทำไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยไปเช่นเดียวกับการทำบุญถึงแม้ว่าจะทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆ อ, อาจจะมีเงินเพียงห้าบาทสิบบาทซื้อข้าวมาใส่บาตรพระได้ไม่มีเงินซื้อกับข้าวใส่บาตรก็อย่าไปคิดว่าบุญแค่นี้ทำไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไรมากมายไม่ต้องไปทำมันอย่าไปคิดอย่างนี้ขอให้คิดว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นข้าวแม้แต่เพียงทัพทีเดียวก็เป็นบุญอยู่เมื่อเราทำไปแล้วมันก็จะติดนิสยัยขอให้ได้ใส่บาตรวันละทัพพีก็ยังดีกว่าไม่ได้ใส่แล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็พอมีปัญญามีกำลังมีทรัพย์มากขึ้นเราก็จะทำมากขึ้นไปและจะทำง่ายกว่าคนที่ไม่ทำเลยเพราะเมื่อไม่ทำเลยก็จะติดนิสัยไปว่าไม่ทำดีกว่า ทำแล้วไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าก็จะคิดอย่างนี้จึงขอให้พวกเราจงยึดมั่นต่อหลักกรรมกฎแห่งกรรมขอให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมขอให้เราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อขอให้เราเชื่อว่าความเป็นมาความเป็นไปของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากบุญกรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนอื่นก็มีบ้างเช่นฝนฟ้าอากาศดินนะ้ำ คนอื่นนี่ก็มีส่วนบ้างแต่ไม่เป็นส่วนที่สำคัญเท่ากับบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตและที่เราจะทำในปัจจุบันที่จะส่งผลให้กับเราต่อไปในอนาคตขอให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วเราจะได้ทำแต่บุญเราจะได้ไม่ทำบาปเมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย